นอกจากเรื่องนี้แล้วยังมีอะไรที่ไม่เหมือนกันอีกตาเห็นลูกพอใจไม่พอใจมูได้ยินเสียงพอใจไม่พอใจจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจคิดนึกพอใจไม่พอใจนี่ก็ไม่เหมือนกัน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 ไม่มีคนพ อ, พอใจไม่มีคนไม่พอใจถือว่าเป็นเพื่อนเกิดเก็เจ็บตายด้วยกันถ้าเขามีความไมา่ดีก็สงสารเขาคิดช่วยเขาเดี๋ยวนี้คนเรามันถูกจริงเหล่านี้แบ่งแยกความพอใจความไม่พอใจมันเป็นรถของโลกเกิด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 หา อ, อย่างที่เรามีโอกาสประสบกามณ์ไม่บทเรียนมันบอกวันศรนใหควา ม, มาเที่ยงนะอย่ามาถือเราว่าตัวโตลัลนะใหความไม่ทุกข์นะอย่ามาถือเราว่าเป็นตัวของท่านมันเป็นอย่างนี้ค่ามันประกาศบอก นี่คือความเจ็บความเจ็บ ค, ความตายความปวดของโลกของหลงก็ตามไปก็จะเดือดร้อนวังสองก็ให้บันบอกจึงมามีสติกันเพื่อคุ้มครองวิธีเจียมมองตนเลให้มันปลอดภัยลนันี้มีเรื่องเดียวคือสติ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 สิงที่มันไม่ถูกมันก็ไม่ถูกดยู่เช่นนั่นสิงที่มันถูกก็ถูกอยูสม่างไรไปเช่นความโกรธเป็นสมมติมัญหัติไม่ถูกความไม่โกรธเป็นปารมัีสัจจะถูกไม่มีใครไปเอาอันสิ่ที่ผิดน่ะถ้าเราเห็นอยู่ผ่านก็เราผ่านมาแท้ๆงานเดียวกัน อะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปสัมผัสเตา้าไม่คิ ด, ดตอนที่ปฏิบัติเกิดนิมิตไหลขึ้นมาก็อย่าไปหลงมันจะต้องเห็นมันกันหมดเบากายเบาจิต ม, มีความรู้มีความสงบปัจจติ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 กลางที่ฉุดมันสุกเข็นมันสุกจะเป็นผู้สุกมันทุกข์เนมันทุกข์จะเป็นผู้ทุกข์ น, กนี่แหละคือตัวปฏิบัติตัวเคลื่อนย้ายตัวล่วงพ้นอะไรก็ตามพ้นได้ผ่านได้ศาสนานี้ไม่ใชศาส น, นา์หนาเงลาบจักรละเสียงเสือนเยินหยอวิชรสิพวกพ้องมารวานเป็น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 ยืดไหนต้องตั้งตัวใหม่ทำไมตั้งตัวใหม่มันเก่าจะติให้มันใหม่มันจะมีพลังแัง้นเรานั่งไปนานๆหลังจากกองขึ้นยืดตัวขึ้นหน้าอกท้นคอใบหนะ้าวางให้ดีๆให้มันองอาจงื้นเราอยู่แต่พอหน้าพระพของพระเจ้าเวลาเราหลงก็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 ฟ้องได้พิภาคษาได้ไดเห็นสมมติยิง่งฟ้องเล ย, เลยปานีตสาราธรรมนูลและธรรมนูลเลยขี <c oughs> ้ขาดถ้าเห็นสมมติเป็นมัญญิเห็นปลัลละมัดสมมติคือความโกรธ<ร>ปละ<ร>มัิความไม่โกรธ สมตมติความทุกข์ความสมมติความไม่ทุกข์ได้หมันเจงนะสมมติบัญญัต์แนวออกหน้าออกตาพอใจก็เป็นสมมติบัญญั ต, ติไม่พอใจเป็นสมมติบัญญั ต, ติเอาวัตถุมาเป็นเครื่องสมมติเอาน้มมาทำเป็นเครื่องสมมติลมก็สมมติเอ า, ว, า, เอาว่าชอบว่าไม่ชอบ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 เหมือนอยารักษาโรคสองตาเป็นโรคมนเร็งก็เนื่อโตรเร็วลำคอก็ให้กีโมไปมันพังออกพังออกก็เนื่อยุบลงยุบหลงในตับก็ยุบลงก็มันยุบลงก็ขอคันคันคอคันปอดคันตับ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 อาโลขยะวัลมาลาผ่าบรรพังคงความโลกมันพัง อ, ง อ, ง อ, งองกงอดูมันพังหลองตาบอกว่าเจ้เอ๋ดูมันพังมันชิบหาย <c oughs> ไม่ทําอะไรมั น, นก็แพ้ปราชัยไปเลยพไายแพ้ไปเลยดูความภาคแพ้ของอาธรรมเมื่อเราไปเห็น <c oughs> เห็นความคิดเนี่ยไม่สติเห็นมันคิดเนี่ย มันตอนนี้เป็นการบรรลุธรรมนะเห็นจริงๆนะเนี่ยตอนเห็นรูปเห็นนามเป็นกระแสได้ทางได้ทางเหยียบเช่นทางได้โดยมั่นใจไม่เคยพวกเป็นเรื่องนี้นี่แหละทางทวมใจหลวงพ่อเทียนสอนให้เราได้รู้ธรรมะ เราก็ได้เจ็นเรามีศรัทธามาแต่เดิมแต่ไม่เคยรู้พอมาทํานั้นนี่มันเกิดรูกขึ้นมาเห็นรูปทานามทมเห็นรูปทุกนาทุกเห็นรูปโลกนาโลกได้หลักได้ฐานกระตือรือร้นช่วยรูปช่วยนามแต่ก่อนไม่เคยช่วยรูปช่วยนามปล่อยให้เป็นทุกข์ไม่เคยช่วยเหลือ แม่เคยช่วยลูกการกรรมเท่าไรน้ํากระทุกแม่เคยช่วยพอแม่เห็นลราโอ้ยกระตือล้นช่วยดีใจไี้โอกาสช่วยลูกช่วยน้ําช่วยกายช่วยใจช่วยในเฉีงใดก็หลุดไปเฉีงนั้นขยนขันกระตือรือร้น กระโจนใส่ปัญหาที่ไหนที่เกิดจากกายจากใจจากรูปจากนากระโจนใส่ไม่กักขังลุยได้เอ่ยลองให้เกิดเป็นการหัวเราเอ่ยทุกข์เกิดเป็นกายเปิดเป็นกายไม่ทุกข์แล้วก็กระตือตรอร้นเนี่ยหอได้หลักได้ฐานนี่แหละนี่แหละนี่แหละเหมือนหมอ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 ส, สาสตร์ของกายหิวข้าวจิ้นข้าวขนส่งพ้นจากความหิวศาสตร์ของกายมันร้อนอาบนา้ําขนส่งพ้นจากความร้อนใจนั้นก็เหมือนกันมีการขนส่งหายเหมือนกั น, นมันรักษาหายอมันความหลงเป็นครังสุดท้ายได้ความทุกข์เป็นขรั้งสุดท้ายความโกรธความโลภเป็นครั้งสุดท้ายได้ มันหายจริงๆนะโยนมบพระเจ้าวะชาติสิ้นแล้วจบไปแล้วเป็นดินสุดเห็นโลกเห็นนามเห็นสมมติเห็นบ ญ, ญตัติเห็นปรมาติเนี่ยจืดความโกรธความทุกข์ความโลกความหล ง, ลงลจืดไม่มีค่า ถ้าใชโกรธมันมขมเขินมากเหมือนเดี๋ยวให้เราไปลุยคลูดให้ไปลอยอยู่ในคูดไม่เหมือนสัตว์นรกนะสัรนรกมันทอใจลอยอยู่ในคลูดเทพดาธเขาไม่ไปแล้วผมพระินทพระมก็ไม่ไปแลอในทานชาดก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 ว่านี่ยังเปเทศที่สุกโตแล้ว <laughs> นี่านว่าหรืเาไป ฟ, ฟังเทศที่ไหนไม่ทราบนะเพื่อนสองคนชวนกันไปฟังเทศอ่พาพอดีเพื่อนคนหนึ่งเกิดลูกป่วยไม่มีอาหารกินก็แม่ก็บอกว่าไม่มีอาหารให้ลูกลูกป่วยอป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 ยังถ่วงคนที่ไปหาปลาโอ้ยป่านนี้เพื่อนกูค ง, งจะจับปาลาได้เยอะนะป่านนี้มจับปาลาได้เยอะนะอันคนปปที่ไปฟังเทศโอ้ยพ อ, อ, อ, นะย อ, อ, อ ท, ที่ยนแสงคล้องก็สาธุกสาทุกไหนใจอ่อเขาตีอ่อเทศจบเทียยายกก็ตีของหอยหยสาธุกอยู่ในน้ำ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 เอาเรื่องนรกมาเล่าให้คนโลกเทวดาฟังเอาเรื่องเทวดาไปเล่าให้พวกนรกฟังเรียกว่าพม่าะไรผมไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรกาเลยไปเห็นเป็นหนอนอยู่ในโคดในช่วมพะไปเจอเขาอะไรเรียกว <c oughs> ่าเพื่อนนำมันมาอยู่ตรงนี้ไปอยู่ด้วยกันนอนน่ะอยู่ในเมืองเทวดานอ น, น, อน ไอ้เพื่อนจะเป็นหนอนหรือเมืองเทพดามั น, มนดีอะไรไม่ต้องมอมุดอยู่คูดแบบนี้แล้<ง>มีอะไรกินล่ะโอ้ยมีเตาอาหารเทปกินอะไรก็มาเลยวัตถคิดคิดอยากอะไรก็มีให้กิ น, ว, น, นวันนี้จะกินอะไรถ้าเมืองเทราเขาพูดกันว่าแต่มนุษย์เขาพูดว่าถ้าคนเขาพูดว่า ว, นนวันนี้จะได้ไรกิน ว่ามันไม่มีอ่าไอ้คนคนที่เป็นนอนก็บอเทวเทวดามันดีอะไรเพื่อนก็เล่าเรื่องมันดีอะจะกินอะไรมีจะคิดอะไรก็ได้กินอ่ะไอ้คนที่เป็นหนอนก็ บ, าบาาอกโอ้ยจะคิดอยู่มันก็เสียเวล า, านะนี่ไม่ต้องคิดเลยถึงเวลามันหล่นลงมาหล่นลงมากินมาอยู่ตะเอ้าเมืองเทวดามีอะไรกินอย่างนี้หระ อันนี้มันไม่ใช่อาหารเทปมันเป็นคูดเทวดามีคูดอย่างนี้กินไหมมันไม่มีโอ้ถ้ามีคู่ดยางไม่ไปหรอกอยู่นี่แหละดีที่สุดมันเอายอะก็เป็นอย่างนี้จ้ะออหนนก็ติดนะไปห้ามคนโกรธดูจีอยากโกรธแต่เพื่อนไม่โกรธไปได้ไม่โกรธก็มันหมาล่ะต่อใจใ้ความโกรธโอ้ใจในความทุกข์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 ไม่ช่ลาวตะกั่งละนะเสียงเฉินยีน่อจอมาชาติมันเป็นความหลดพ้นวันหนึ่งมันหนงเพเจ้าจะเลียบพิวดูกว่าขี้ั้งหลอยดูกว่าขี้ั้องหลยอยขี้สัวต้งหลยอหลยมาออกที่สุดในพระสวดแล้วเจ้าก็ตือเรลรอนมาออกที่สุดหรอเเจ้ากันมาโหัตตะัลาย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 อยู่ในสภาพแบบนี้เรากเราเนี่ยรรทาวัดเช้าทาเย็นปฏิบัติธรรมบูชาตามตา ม, ตามลองโดเหยียบเป็นรอยไว้ให้เป็นเป็นรอยสั่งหน่อยในหัวใจเราเป็นตาไว้สั่งหน่อยเคยรู้อย่างนี้เวลามันมีอะไรปัญหาเกิดขึ้นเคยรู้อย่างนี้มันจะมันจะมีพลัง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 ต้องหัดไว้ก่อนเพื่อเป็นศาสตร์เป็นศิลเป็นมากเป็นผลในเรื่องนี้แน่นอนไม่ใชดเรื่องอื่นเพราะว่าทุกข์ดีไม่มีห่ะคือปัญหาเรื่องทุกข์น่แหละสำคัญทุกข์ก็อะไรค็แล้เกิดเจตจตานี่โจ ท, ทั้งเราละ่ะเราพิพาทสาลีเห็นได้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 หมดตัวไปเลยนะาวันนี้ก็เลยพูดท่าย่งกับทุกคนสมควรเจรเวลากับพระพร้อมกัน